จูละยมกะวักหมวดว่าด้วยทำเป็นคู่หมวดเล็กหนึ่งสาลยักะสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านพรามชื่อสาลาเหตุปัจจัยนำไปสุขติและทุคติข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสด็จเจ้าริกไปในแคว้นโกศลกับภิกษุหมู่ใหญ่ ถึงบ้านพราหม์ชื่อสาลาของชาวโกสลพราหมและขหาบดีชาวบ้านสาลาได้ฟังข่าวว่าท่านพระสมณะโคโดมเป็นาักยะบุตรเสด็จออกพโนจากศากยะตระกูลเสด็จจาริกไปในแคว้นโคสนพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมชื่อสาลาโดยลำดับแล้วท่านพระโคโดมพระองค์นั้นมีกิติศัพท์อันงามขาจรไปอย่างนี้ว่า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 พราหมณ์และข้าพเดีชาวบ้านสาลาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้นาที่สมควรบางพวกได้ทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรบางพวกประนมมือต่อพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคตในสำนักของพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งหน้าที่สมควรบางพวกก็นั่งนิ่งอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์และข้หาบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอาธรรมเป็นเหตุพราหมณ์และข้หาบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เพราะความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมเป็นเหตุพราหมณ์และขหาบดีเหล่านั้นกราบทูลว่าเนื้อความแห่งธรรมที่ท่านพระโคดมตรัสไว้โดยยอ่อไม่ทรงชี้แจงให้พิสดารข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทราบโดยพิสดารได้ขอท่านพระโคดมโปรดแสดงเนื้อความแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงให้พิสดา น, นี้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย โดยวิธีที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึงทราบโดยพิสดารเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามและข้าบดีทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพวกพรามและข้าบดีชาวบ้านสาลาทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า กุศ ล, ลกรรมบทสิบพราหมณ์และขหาบดีทั้งหลายความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอธรรมทางกายมีสามประการความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอธรรมทางวาจามีสี่ประการความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอธรรมทางใจมีสามประการ ความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอธรรมทางกายมีสามประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์คือเป็นคนหยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตีไม่มีความละอายไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวง 2. เป็นผู้ลักทรัพย์คือเป็นผู้ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่น ซึ่งอยู่ในบ้านหรือในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่ในปกครองของมารดาที่อยู่ในปกครองของบิดาที่อยู่ในปกครองของมารดาบิดาที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวที่อยู่ในปกครองของญาติ ที่อยู่ในปกครองของโคตรที่ประพฤติ ธ, ธรรมมีสามีมีกฎหมายคุ้มครองโดยที่สุดแม้สตรีที่บุรุษสวมด้วยพวงมาลัยหมายไว้ความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางกายมีสามประการอย่างนี้แล ความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติ ธ, ธรรมทางวาจามีสีประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้พูดเท็จคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่่ํากลางหมู่ญาติอยู่่ํากลางหมู่ทหารหรืออยู่่ํากลางราชสํนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่าท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุรุษนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้ หรือรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นหรือเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นกล่าวเทศทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบ้าง <unt ry S 2> เพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตเล็กน้อยบ้าง 2. เป็นผู้พูดส่อเสียดคือฟังความฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโ น, น, <nochmal S 1> น้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทาลายฝ่ายโ น, น้น ยุยงคนที่สมคีกันทรงเสริมคนที่แตกแยกกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่แตกแยกกันผู้แต่ถ้อยคำที่ขอความแตกแยกกัน 3. เป็นผู้พูดคำหยาบคือผู้แต่คำหยาบคายกล้าแข็งเผดดร้อนหยาบคายร้ายกาศแก่ผู้อื่นกระทบกระแท่งผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ 4. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อคือพูดไม่ถูกเวลาพูดคำที่ไม่จริงพูดคำที่ไม่อิงประโยชน์พูดไม่อิงธรรมพูดไม่อิงวินัยพูดคำที่ไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่กำหนดไม่ประกอบด้วยประโยชน์โดยไม่เหมาะแก่เวลาความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอาธรรมทางวาจามีสีประการอย่างนี้แล ความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอาธรรมทางใจมีสามประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้เพ่งเลงอยากได้ของเขาคือเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าทำอย่างไรทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเรา 2. เป็นผู้มีจิตพยาบาทคือมีจิตคิดร้ายว่า ขอสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกทำลายจงขาดสูญจงพินาศไปหรืออย่าได้มีสมเป็นไมิช้าทิฏฐิคือมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดามไม่มีคณ บิดาไม่มีคุณโอปปาติกะสัตว์ไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติประพฤติ ช, ชอบทําให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกความประพฤติไม่สม่ําเสมอคือความประพฤติอาธรรมทางใจมีสามประการอย่างนี้แลพราหมณ์และขหามปีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้ว ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกเพราะความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอาธรรมเป็นเหตุอย่างนี้ผู้ชนและกรรมบทสิทธพรามและขหาบดีทั้งหลาย ความประพฤติส ม, สม่ำเสมอคือความประพฤติทธรรมทางกายมีสประการความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติทธรรมทางวาจามี4ประการความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติทธรรมทางใจมีสมประการ ความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางกายมีสมประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุธิและศัตราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์คือไม่ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่น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 ที่อยู่ในปกครองของญาติที่ประพฤติ ธ, ธรรมมีสามีมีกฎหมายคุ้มครองโดยที่สุดแม้สตรีที่บุรุษสวมด้วยพวงมลัยหมายไว้ความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติ ธ, ธรรมทางกายมีสามประการอย่างนี้แล ความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติทำทางวาจามีสี่ประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่าท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้น บุรุษนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้หรือรู้ก็กล่าวว่ารู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นหรือเห็นก็กล่าวว่าเห็นไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบ้างเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตเล็กน้อยบ้าง 2. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการผู้สอเสียด คือฟังความฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกแยกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความ ส, สามัคคี 3. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดคาหยาบคือผู้แต่คาไม่มีโทษไพระ น่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ 4. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูด cher, เพอเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดแต่คำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลา ความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางวาจามีสี่ประการอย่างนี้แหละความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางใจมีสประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ หนึ่เป็นผู้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขาคือไม่เพ่งเลงอยากได้ทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าทำอย่างไรทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเราสองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทคือไม่มีจิตคิดร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีจิตพยาบามไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิด เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทาชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณโอปปปาติกะสัตมีสมณะพรามผู้ประพฤติดีประพฤติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้า ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางใจมีอยู่สามประการอย่างนี้แลพราหมณ์และขหาบดีทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมเป็นเหตุอย่างนี้ ผลอย่างความประพฤติสม่ำเสมอพราหม์และขหาบดีทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติ ธ, ธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดในพวกคตยะมหาศาลเป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในพวกคติยะมหาศาลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอ เคยเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมอย่างนั้นแลถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอเคอผู้ประพฤติ ธ, ธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดในพวกพราหมณณ์มหาศาลละถึงเราพึงเกิดในพวกข้าพดีมหาศาลเป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในพวกข้าพดีมหาศาลข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอเคยเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแลถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหนอห L ลังจากตายแล้วเราพึงเกิดในเทพชั้นจตุมหาราชเป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพชั้นจตุมหาราชข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่าเสมอเคอเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแลถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่าเสมอเคอผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดในเทพชั้นดาวดึงและถึงเทพชั้นยามาเทพชั้นดุสิตเทพชั้นนิมมานรดีเทพชั้นปารนิมมิตวสวสดี เทพผู้นับเนื่องในหมู่พรมเป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแหลถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดในเทพชั้นอาภา เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพชั้นอาภาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอเคอเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแหละถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอเคอผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดในเทพชั้นปริตตาภาเทพชั้นอาปมานาภา เทพชั้นอภัสราเทพชั้นปริตตสุภาเทพชั้นอปมานาสุภาเทพชั้นสุภกินหาเทพชั้นเวหภลาเทพชั้นอวิหาเทพชั้นอาตาปาเทพชั้นสุทัสสาเทพชั้นสุทัสสีเทพชั้นอากนิถภพเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพเทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภพ เทพผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภพเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอเคอเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแลพรามและข่าบดีทั้งหลาย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 ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติมั่นเสมอเคอเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแหละชาวบ้านสาลาถึงพระรัตนไตรเป็นสาระนะ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพวกพราหมณ์และข้าพดีชาวบ้านสาลาเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญพระภาสิทิของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญพระภาสิทของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคโดมประกาศรำแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆ เปรียบเหมือนบุคคลงายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณนะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ดังนี้แลซาเลยยกะสูตรที่หนึ่งจบสองเวรัญชะกะสูตรว่าด้วยชาเมืองเวรัญชา เหตุปัจจัยนำไปสุขติและทุขติข้าพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณิกเศษตีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพวกพรามและข้าบดีชาเมืองเวรัญชาพักอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างได้ฟังข่าวว่าท่านพระสมณะโคดมเป็นสาวยะบุตร เสด็จออกผนวดแล้วจากสักยะตรกูลประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถปิญญเกษตีเขตกรุงสาวัตถีท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก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 มีความงามในท้ำกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์เช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นพวกพราหมณ์และข้าบดีชาเมืองเวรัญชาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควร บางพวกได้ทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือต่อพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคตในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็นั่งนิ่งอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า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 สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมเป็นเหตุพรามและข้าบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์เพราะความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมเป็นเหตุพรามและข้าบดีเหล่านั้นทูลว่า เนื้อความแห่งธรรมที่ท่านพระโคดมตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงให้พิสดารข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทราบโดยพิสดารได้ขอท่านพระโคดมจงแสดงเนื้อความแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงให้พิสดารแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายโดยวิธีที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึงทราบโดยพิสดารเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์และข้าพบดีทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพวกพราหมณ์และข้าบริชาเมืองเวรัญชาทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า อาคุสนและการมบทสิพรามและข้บ evet ดีทั mm ้งหลายบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอคือผู้ประพฤติอาธรรมทางกายมีสามจำพวกบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอคือผู้ประพฤติอาธรรมทางวาจามีสี่จำพวกบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอคือผู้ประพฤติอาธรรมทางใจมีสามจำพวกบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอ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 ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกามเคยเป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่ในปกครองของมารดาและถึงบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอเคอผู้ประพฤติอาธรรมทางกายมีสามจำพวกอย่างนี้แลบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอเคอผู้ประพฤติอาธรรมทางวาจามีสี่จำพวกไหนบ้าง คือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้พูดเท็จคืออยู่ในสภาละถึงเป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ละถึง 2. เป็นผู้พูดส่อเสียดคือฟังความฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นละถึงผู้แต่ถ้อยคำํำที่ก่อความแตกแยกกัน 3. เป็นผู้พูดคําหยาบคือผู้แต่คําหยาบคายกล้าแข็งละถึง 4. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อเคพูดไม่ถูกเวลาพูดคำที่ไม่จริงและถึงไม่มีที่กาหนดไม่ประกอบด้วยประโยชน์โดยไม่เหมาะแก่เวลาบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่าเสมอเคอผู้ประพฤติอาธรรมทางวาจามีสี่จพวกอย่างนี้แหลบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่าเสมอคคอผู้ประพฤติอาธรรมทางใจมีสามจำพวกไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้เพ่งเลงอยากได้ของเขาละถึงทำอย่างไรทรับอันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเรา 2. เป็นผู้มีจิตพยาบาทคือมีจิตคิดร้ายว่าขอให้สัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าละถึงหรืออย่าได้มี 3. เป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลและถึงสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกบุคคลผู้ประพฤติไม่สม่ำเสมอคือผู้ประพฤติอธรรมทางใจมีสามจำพวกอย่างนี้แหลพราหมณ์และข้าบเดชทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะความประพฤติไม่สม่ำเสมอ คือความประพฤติอธรรมเป็นเหตุอย่างนี้ผู้สนละกรรมบท10พรามและขหาบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมทางกายมีสามจำพวก บุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมทางวาจามีสี่จำพวกบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมทางกายมีสามจำพวกไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ เป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์คือไม่ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรือในป่าที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย 3. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการามคือไม่เป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่ในปกครองของมารดาและถึงบุคคลผู้ประพฤติสม่เสมอ คือผู้ประพฤติธรรมทางกายมีสามจำพวกอย่างนี้แลบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมทางวาจามีสี่จำพวกไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จคืออยู่ในสภาละถึงไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ละถึง 2. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดสอเสียด และถึงพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคี 3. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและถึงพูดแต่คำไม่มีโทษ 4. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อและถึงมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลาบุคคลผู้ประพฤติสม่าเสมอ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 2. เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทคือไม่มีจิตคิดร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีจิตยพยาบาทไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิด 3. เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลและถึงผู้ทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว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 ผลแห่งความประพฤติสม่ำเสมอพราหมณ์และขหาพดีทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดในผู้ขตยะมหาศาลเป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในผู้ขติยะมหาศาลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมอย่างนั้นแลถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติ ธ, ธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดในพวกพราหมณ์ณมหาศาลละถึงเราพึงเกิดในพวกข้าพเดียมหาศาลเป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในข้าพเดียมหาศาลข้อนั้นเพราะเหตุไร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 บุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพผู้นับหนึ่งในหมู่พรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่เสมอคือเป็นผู้ประพฤติธรรมยอย่างนั้นแหลถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่เสมอคือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดในเทพชั้นอาภาเป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพชั้นอาภา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 เทพชั้นอปมานาสุภาเทพชั้นสุภกินหาเทพชั้นเวหภลาเทพชั้นอวิหาเทพชั้นอตาปาเทพชั้นสุทัสสาเทพชั้นสุทศีเทพชั้นอากนิถภพเทพผู้เข้าถึงอากาสารัญจายตนะภพเทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภพเทพผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภพ เทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญาญตนะภพเป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอเคยเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแลพรามณ์และข้าบดีทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอเคยผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่า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 เคยเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแหละ